บุดบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุรด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ห, ห้าไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาภรรยาสามีที่สมควรให้